วันละเล็กวละน้อยถ้าหากท่านทําไปพร้อมๆกับรายการในส่วนของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าบางท่านก็อาจจะปฏิบัติกันเท่าที่โอกาสอำนวยในแต่ละวันปฏิบัติกันหลายครั้งเลยก็เป็นไปได้เมื่อเห็นคุณค่าแล้วก็มักจะเป็นกันอย่างนั้นนะคะแต่อย่างไม่มีเวลาเพียงแค่ทําพร้อมๆกันในรายการสม่ำเสมอทุกๆวันก็เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแล้วในส่วนของการที่จะมารับฟังการสนทนาธรรมกันต่อนั้น การฟังด้วยจิตที่มีสมาธิก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นค่ะในเวลานี้ก็ได้แล้วนะคะที่ท่านจะมาพบกับท่านอาจารย์คึกฤทิปโซติปโลในส่วนของการสนทนาธรรมช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเรามากราบท่านตร้อๆกันก่อนค่ะ วันนี้ก็ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามีผู้ร่วมรายการต mm ัวน้อยคะ่ะท uh ่านอาจารยน้องน้ําวุ้นคนเก่งพอดีช่วงเวลานี้ศพโอกาสที่ว่าโรงเรียนปิดในช่วงต้นปีนะคะก็เลยพอมาร่วมรายการกับเราได้ mm hmm. น้องน้ำวุ้นยังมีคําถามอยู่ไหมคะหรือหมดพวงแล้ว <laughs> ยังมีอยู่นะคะยังของลยค mm ่ะ hmm. ให้น้องมุ้นก่อนคนอื่นเลยค่ะอายุเจ็ดขวบนะคะท่านผู้ชม ถามว่ามัสมีมัสมัสมีองแตกค่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดํำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบจะถามว่า สัมมารกรรมตะกับสัมมาอาชีวะต่างกันยังไงคะอ๋อ <c oughs> สัมมารกรรมตาก็คือการงานชอบกับสัมมาอาชีวะคืออาชีพชอบหรืออาชีพที่ถูกต้องในสมณะต่างกันยังไงเนาะตัวการงานชอบก็คือการกระทําที่ถูกต้องน่ะรัตถาคตจะ อธิบายว่าการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในการมนะสามอันนี้ก็คือตัวศิน5้สข้อแรกนั่นเองนะการไม่ฆ่านะการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ถือทรัพย์อเจ้า ข, ของไม่ได้ให้การไม่ประพฤติผิดในการมไม่แย่งลูกเมียเข้ามา นะที่เขามีเจ้าของแล้วมาอย่างนี้นะสามอย่างเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าสัมมากรรมตาการงานชอบนะส่วนสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบก็คือเรื่องการงานอาชีพซึ่งเกี่ยวกับอาชีพนะอันนั้นเป็นการก <c oughs> ระทำแต่นี้เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดอาชีพเกิดไรายได้ขึ้นมาเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเอง ก็นะจะตัดไว้สั้นๆแค่ให้เลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนนั้นอาชีพที่พระสัสดาไม่แนะนำให้ทำคือการค้าน้ำเมาการค้ายาพิษการค้าเครื่องประหารการค้าสัตว์มาเป็นอาหารในการค้ามนุษย์นะ ถ้าขายมนุษย์ซื้อมนุษย์เนี่ยไม่ดีใช่ไหมนี่อันนี้ต่างกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมค่ะค่ะค่ะยังมีอะไรถามต่อไหมคะสงสัยไหมคะว่าอาชีพไหนที่หนูรู้จักเป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะหรือเปล่ายกตัวอย่างสักอาชีพเราถามท่าอาจารย์อืมสงสัยไหมหรือไม่สงสัยแล้วไม่ไม่ค่ะไม่สงสัยแล้วเข้าใจแล้วแต่เข้าใจถามกันนะคะเพราะว่า ถ้าไม่เคยศึกษามาก่อนดิฉันเองครั้งแรกก็สงสัยทำชาติเดียวกันนี่ค่ะเพรดูมันก็เคยมันเหมือนดูมันเหมือนการใกล้กันนะคะสัมมาทั้งหลายที่น้องน้ําวุ้นได้กล่าวไปนั้นเป็นเรื่องของอริยมรรคมีองศาค่ะและอริยมรรคมีองคศาสําหรับบางท่านก็อาจจะไม่รู้มาก่อนคืออะไรคะอริยมรรคมีองค์าเนี่ย เป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติกายวาจาจิตเพื่อจะนำไปสู่ความไม่ตายนะเป็นหนึ่งในเรื่องที่พระศาสดาเนี่ยตรัสรู้รนะลงตรัสรู้อริส ส, สคือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรครู้จักว่าทุกข์เนี่ยรู้จักว่าเป็นยังไงแล้วก็เหตุเกิดของมันความดับ แล้วก็วิธีดับอย่างนี้น้วตัววิธีดับเนี่ยคือมรดิ์นิมิแปดครับท่านบอกว่าเป็นห <c oughs> นทางที่ปฏิบัติแล้วจะไม่ตาย อ, อย่างน้องน้าบุนเนี่ยเพิ่เกิดได้เจ็ดปีเองนะคะต้องศึกษาเรื่องนี้เหรอคะไม่ตายเนี่ยดูเหมือนว่าความตายมันน่าจะเด็กอย่างนี้ไม่น่าต้องกังวล น, นะอ่าฮะ <c oughs> ก็ความตายไม่ได้เลือกเด็กผู้ใหญ่ะนะถ้าลกก็เสียชีวิตได้ จำเป็นไหมคะว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆหรือว่าอายุที่เหมาะสมนี่ต้องบทเรียนแล้วหรืออะไรยังไงคะคือพู้เจ้าบอกเกิดมาถ้ารู้เรื่องเนี่ยต้องรู้เรื่องอริสัตก่อนอันดับแรกของชีวิตเลยอุปมาขนาดว่าอืน้ำบุ้นถ้าน้ำบุ้นมีไฟไหมผมบนศรีรษะน้ำบุ้นจะทำยังไงเนาะ จะทำยังไงดีอ่าขอคิดก่อนเอาเอาน้ำล้าเอาน้ำลาโธ่ใช่ไหมไฟดับใช่ไหมค่ะ <c oughs> อ่าทุกคนสาวกก็จะตอบอย่างนี้หมดผู้เจ้าถามสาวกนะ <c oughs> ว่าถ้าไฟไหม้ผมบญศีษะหรือไฟไหม้ลุกตรงเสื้อผ้าเธออยู่เนี่ยเธอจะทำยังไง <c oughs> ทุกคนจะตอบเหมือนกันเลยบอกว่า ดับไฟที่ไม่เสื้อผ้าหรือผมบนศีรษรก่อนแต่พระศาสดาบอกว่าอย่าเพิ่งให้มารู้อรสิสสีก่อนะน ะ, เ, ะเป็นเร่งเร่งเดวนกว่า<อ>นะไม่น่าเชื่ออันนี้จริงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะท่านผู้ชมก็ ดิฉันเข้าใจว่าคงเหมือนมือนกันน้องน้ำบุญนะนะคะไม่ว่าจะต่างอายุกันเท่าไหร่เอ้าไฟดับศรีรษะไอ้ไฟไหม้บนศรีรษะขนาดนี้มันก็ต้องดับไฟก่อนใช่ค่ะแต่พระพุทธองค์ยังบอกว่าให้ทิ้งไว้ก่อนอให้มารู้อริยสัจก่อนใช่อริยสัจภายในเวลาเสี่ยวที่มันไฟจะไหม้หมดศรีรษะในเวลารวดเร็วเนี่ยจะรู้ทันหรือคะอริยสัจเนี่ยค่ะดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตมากก็จริงๆมันรู้ได้เพียงแค่ชั่วขณะจิต ซึ่งกว่าไฟจะไหม่ผมบนศีรษะหมดทั้งหัวเนี่ยมันกี่วินาทีแต่ขนาดจิตมันตั๊เดียวการมารุ้นเรื่อสัตว์แค่รู้ว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายมีการเกิดดับไม่เที่ยงแปรปวนเป็นธรรมดาตาหูจมูกริ้นกายใจไม่ใช่ของเราทำความเข้าใจแค่นี้เข้าใจได้ปุ๊บเนี่ยการตายของเราอาจจะเป็นการตายครั้งสุดท้ายเพราะได้บรรลุธรรมเป็นพระลานก็ได้เท่ากับว่าความยิ่งใหญ่ ของอริยาศาสตร์ที่บางครั้งนีฉันได้ยินคําเรียกเป็นคำของพระพุทธองค์ด้วยบ้างค่ะที่เรียกว่าเป็นบร ม, ารมศาสตร์ถูกัหมคะอริยศาสตร์สามารถรวมความหมายกันได้มาอยู่ที่ว่าความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนะใช่ใช่เพราะใครรู้ความไม่เที่ยงมากนะจะรู้จักทุกขงังคือการดับไปใครเข้าใจทุกขังคือการแตกสลายการดับไปมากจะเข้าใจอนัตตา ใครเข้าใจนัตตาคนนั้นจะถอนอุปทานจากขันธ์หน้าได้าะนั้นแค่รู้ไม่เที่ยงแค่นี้ก็เข้าสู่ภูมิธรรมอริบุกคลขั้นต้นแหล ะ, ะแต่อย่างไรก็ตามจะต้องเป็นความรู้ครบทั้งสามอริยศาสตร์นี้ใช่ไหมคะมคือไม่เที่ยงทุกขังแล้วก็อนัตตาอ๋อมันมันจะไหลไปเองแหละอ๋อค่ะเพราะนั้นเรารู้แค่แปรเปลี่ยนนะ รู้แค่าการดับน่ะก็ได้นะ่ะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือพระศา ส, สดาบอกว่าผู้ใดมีจิตฝังลงไปในความไม่เที่ยงอยู่อย่างติดต่อสรรม่าเสมอไม่ขาดตกปกพล่องผลที่หวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันอ๋อมันจะเดิเนไปของมันเองใ ช, าาใช่ใช่ ใ, มมใช่ใช่ใช่โยมอาจจะเห็นความไม่เที่ยงถึงเจ็ดสิบปี ปีที่เจ็ดสิบเอดอ๋อเข้าใจทุกขังเข้าใจอนัตตาปุ๊บหลุดพ้นอค่ะอตอบย้ำตรงนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ดูเหมือนกับว่า <c oughs> มีวิธีที่ให้เราเลือกได้หลายวิธีนะเยอะมากในการที่จะหลุดพ้นของพระพุทธองค์ใช่ท่านผู้ชมก็คงอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเข้าท่าดิมกันนะเราก็เห็นความไม่เที่ยงนี่ก็บ่ายแล้วอะไรเยยงี้ยจางายนอจาร่นน่คือเท่ากับว่าสมมตินะคะที้ก็เข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับ ร่างกายเราดีๆอยู่ อ, อวันนึงไม่สบายอ่ะเราก็อาจจะรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นนักกีฬานะหรือเพื่อนเราเนี่ยโอ้โหเป็นนักกีฬาแข็งแรงเลยอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนพิการไปซะแล้วจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็เห็นความไม่เที่ยงอ อ, อ่านข่าวทุกวันก็เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้ถือว่าเป็นความไม่เที่ยงที่พระพุทธองค์บอกว่าเห็นแล้วเห็นต่อเนื่องยาวนานมีโอกาสหลุดพ้นหรือเปล่าคะอืมมันไม่ได้อุปนยุโกหรือเปล่าอ๋อค มันเห็นแต่ที่อื่นมันไม่เที่ยงแต่ตัวฉันยังเที่ยงอยู่อต้องเห็นทนะี่เราต้องน้อมกลับเข้ามาในกาย<อ>นั้นเวลาพินาอสุภะคือพินาสิ่งอันเป็นปฏิกูลศพภายนอกพระุทธเจ้าก็จะพูดเสมอว่าให้น้อมเข้ามาว่าร่างกายเราก็อย่างนั้นเหมือนกันใช่ถ้าจะพิจารณาแบบพระพุทธองค์ เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่เที่ยงภายนอกอย่างเดียวออื uh huh. คือไม่เที่ยงแล้วก็ต้องกลับมาที่เราได้เราก็ไม่เที่ยงใช่ดั้นจะไปงานศพก็ดีเลยสิคท่านเป็นคนตายเนี่ยเราก็บอกเออเราก็ตายเหมือนกันอย่างเงี้ยบ้าถูกต้องเพราะนั้นสัตยานุสานั้นสัตธานุสสาลีอะไยบุคคลขั้นต้นเนี่ยพระองค์จึงบัญญัติว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นนะน้อมเข้ามาดู อาญตนะของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าสัทธานุสารีย์ใช่เรียกว่าสัทธานุสาวรีผ์พูดเล่นไปตามศรัทธาผู้เล่นไปตามศรัทธามั่นคงแล้วว่าฉันเชื่ออย่างเนี้ยว่ากายจิตอารมณ์ของจันเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงเลยแต่เปลี่ยนหมดแล้วการเป็นสัทธานุสารีเนี่ยถ้าเป็นไปแล้วมันดียังไงล่ะก็จะทําให้พระเจ้าบอกว่าคนคนนั้นเนี่ย ชื่อว่าก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมินะเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกัมเนศเดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลไม่ควรตายก่อนได้พระโสดาบันในขั้นผลนะซึ่งถ้าได้ในขั้นผลก็คือจะอยู่ในสามระดับเกิดอีกชาติเดียว เป็นมนุษย์เกิดอีกสองถึงสามคราวในตระกูลของมนุษย์เกิดอีกเจ็ดครั้งนะในภพของเทวดาและภพของมนุษย์เพราะ น, นั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันคือสูงสุดเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาตนะิก็จะได้เป็นพระอรหันต์และไม่ต้องไปสู่วบาอีกแล้วตั้งแต่ครั้งที่แต่โสดาบันละท่านพูดว่า ถ้าเป็นศรัทธานุสารีจะทําให้ไปถึงโสดาปฏิพลด<ช>้วนะคะเท่ากับว่าศรัทธานุสาเรียนี่เป็นเหตุหอช่ไหคะคือ<ช>เป็นเหตุส่วนหนึ่งไม่ใช่เหตุทั้งหมดอือฮ า, าใช่ไหมคะใช่ก็จะเป็นเหตุทั้งหมดก็ยังได้เพรา ะ, ะตัวความเชื่อมันก็ต้องมาก่อนอนะการที่จะมาดูจิตก็คือต้องเชื่อแล้วต้องศรัทธา เพราะนั้นการที่ขยบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือธรรมานุสาวรีนะผู้เล่นไปตามธรรมทำห6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาวรีเชื่อแล้วก็เข้าไปเพ่งดูซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เห็นความไม่ที่ยังแปรเปลี่ยนมีขยบขึ้นมานิดนึงแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือโสดาปฏิมักผู้กําลังเดินมักโสดาบัณ คือศรัทธานุสารีธรรมานุสารีอันนี้พอแล้วไม่มีสังคานะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรามักจะเข้าใจว่าพอมีมีแบบมีพระพุทธมีพระธรรมก็ต้องมาพระสมอ่าอันนี้มีแค่สนะคะอันนี้แค่มีศรัทธาก่อนใช่นะคะแล้วก็ไปมีธรรมานุสารีเห็นในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่เที่ยงใช่ใช่อันนี้เท่ากับเข้าข่ายไปว่าเราทําเหตุและโสดาศรัทธา นุษารีสถานนุษารีก็จะนําไปซึ่งการเป็นโสดาบันไดผลใช่มใช่ใชเป็นพระโสดาบัน น, บนี่นสงสัยอะค่ะท่านบอกว่าถ้าเกิดชาติเดียวเนี่ยเกิดในพกมนุษย์แต่ถ้าเกิดสองชาติเนี่ยเกิดในในหมู่มนุษย์เหรอคะอในอะไรนะคะในตระกูลอันนี้ค่ะแปล ว, ว่าอะไร่ะท่านค ะ, ะเพราะว่าเราดูเหมือนกับว่าเกิดชาติเดียวนี่แสดงว่าเจ๋งมากละ เพราะมีโอกาสสูงสุดถึงเจ็ดชาติใช่ไหมคะแต่เกิดชาติเดียวเนี่ยเป็นคนแล้วอ่ะออืพอเกิดสองชาติอยู่ในหมู่มนุษย์เนี่ยอออืเป็นอะไรก็เป็นคนนี่แหละแล้วพอออพอทําไมไปเกิดไม่เกินเจ็ดชาติมีเป็นเทวดาด้วยล่ะคะดูเหมือนน่าจะเหนือกว่าเกิดครั้งเดียวอะค่ะอือือคือเวลาถ้าเราดูนะตรงนี้มันมีความแยบคายมากฟังเผลินเหมือนไม่มีอะไร และทำไมแล้วเราสงสัยไหมทําไมผู้เจ้าถ้าไปดูบาลีผู้เจ้าจะใช้คําต่างกันตัวเกิดหนึ่งชาติเนี่ยจะใช้คําว่าพบมนุษย์พบมนุษย์คราวเดียวพบมนุษย์นี่หมายถึงพบภูไม่ใช่เกิดแล้วเจอมนุษย์พอผ่านบ่อไปไหม้ะคะอันนี้พอสำเพอพอสำเ พ, พอพอผ่านพบคือสถานที่เกิดเหมือนพบในสายปฏิจจ์นะอันที่สองเนี่ยผู้เจ้าจะใช้คําว่า กูลานิก็คือกลับมาสู่สกุลหรือตระกูลสองถึงสมกล่าวเราก็ไปดูว่าคําว่าตระกูลของผู้เจ้าเนี่ยหรือกลับมาสู่สกุลเนี่ยใช้กับอะไรก็คือตระกูลมนุษย์เหมือนภิกษุเนี่ยเข้าไปสู่ตระกูลนะรับบินาบาตะในตระกูลดันั้นตระกูลของผู้เจ้าเนี่ยก็คือตระกูลมนุษย์นะอันที่สามเนี่ย <c oughs> เทเวเ จ, จมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างนะในนี้เรามาวิเคราะห์นะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเนี่ยคือได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาลน้นะซึ่งก็บ้างก็ไม่แน่อาจจะเทวดาไป6ชาติมนุษย์อีกหนึ่งหรือมนุษย์ไป6ทีทวดาหนึ่งหรือสลับกันมนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาหรือเทวดามนุษย์ หรือเทวดาเทวดามนุษย์มนุษย์และเทวดาอีกอย่างนี้แล้วแต่ไม่มีความแน่นอนนะเออส่วนกลับมาสู่สกุลเนี่ยไม่มีเทวดาโสดาบันกลุ่มนี้จะมาเฉพาะมนุษย์นะและต้องได้ความเป็นมนุษย์เข้ามาครุกคลีในตระกูลเนี่ยเข้ามาใช้ชีวิตเลยแต่พอมาดูมาพบมนุษย์เนี่ยอยู่ในครันนี้พบมนุษย์ไหมก็พบมนุษย์ ก็อาจจะแค่พบแล้วก็แตกสลายก็ได้อาจจะไม่ถึงกับว่าลอดออกมาแล้วมามีครอบมีครัวหรือมาอยู่ในเป็นร่างมนุษย์ก็ได้อย่างเนี้ยอ่าอ่าเพราะคำว่าพบอีกคือแตะนิดเดียวนะอ่าเห็นไหมท่านอธิบายอย่างนี้ดิฉันว่าทำให้ รสึกว่าเป็นไปได้คือตอนแรกเนี่ยฟังแล้วรู้สึกขัดแยง้งคือขัดแย้งอย่างไรนะคะเหมือนกับว่าเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยยังไงมันก็ต่ำกว่าเทวดาอืแต่ว่าทําไมพอไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเนี่ยเจ็ดชาติโนเนียนานขอพระทานโทษนะคะใช่ค่ะนี่คืออยู่นานอะ่ะแต่ในขณะที่บอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เฉยๆเนี่ยอืมมีแค่ พบเดียวชาติเดียวอ<ห>ใช่ไหม ค, คก็ดูเหมือนก็ว่าเอ๊ะเป็นมนุษย์ทําไมอยู่เหนือกว่าเป็นเทวดาควาจริงน่าจะเป็นเทวดาชาติเดียวแต่พอมาฟังแบบนี้พระพุทธองค์เนี่ยนะคะจะสะท้อนให้เห็นดิฉันศรัทธามากเลยนะคะในเรื่องการใช้ถ้อยคําของพระพุทธองค์คือถ้อยคําเนี่ยทําให้หายสงสัยได้อือก็คือว่า ท่านบอกว่าแตะเฉยๆแป๊บเดียวก็ได้แสดงว่าเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เลิศจริงๆไม่ต้องมาทุกนานถูกไหมคะมเพราะการเกิดมาเป็นคนมันทุกมาก ม, มันนานท่านผู้ชมควรจะไปทันนะคะท่านท่านจะถ้าเปลี่ยบอีกอันค่ะเปลี่ยบอีกอันคือสกาธาคา ม, คมีขอตัดตรงนี้หน่อยได้ไั้ม แสงแดดมันเข้าตาตลอดเลยแสงแดดเข้าตาท่านอาจารย์จะทำยังไงดีเอามันหันไปมองโยมไม่ได้นะท่านขยับเก้าอี้ไหมคะไม่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาถือเดี๋ยวน่าถือโถหาปั๊กหนึ่ง4 3 2ครับอ่าตอนนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับตัวสกาธาคามีก็จะเห็นชัดใกล้เคียงอีกนิดหนึ่งคือสกาาคามีเนี่ยจะกลับมาสู่ เทวดาคราวเดียว น, นั่นก็จะเห็นว่า อ, อย่างที่โยมติว่าจะมองว่าเอ๊ะเทวดาน่าจะดีกว่าก็ดีกว่าจริงๆนัก็คือสกาธาคามีจะได้เป็นเทวดาคราวเดียวถ้าพูดถึงคราวเดียวด้วยกันโสดาบันก็คือมนุษย์คราวเดียวแล้วก็โสดาบันที่แยกลงไปอีกก็คือมนุษย์ 2- องคราวแยกลงไปอีกก็มนุษย์ บ้างเทวดาบ้างเจ็ดกล่าวอย่างนี้อแต่ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะการเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้าง <c oughs> <c oughs> ในชั้นโสดาบันเนี่ยความจริงก็ดูน่าจะดีเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่มันมากชาติดยังไงคะที่ว่ามันมากชาติทุกนานไงเทวดามีทุกไหมคะท่ามีหมดอะไม่มีใครไม่ทุกในโลกะทานนี้ท่านก็จะเรียนถามว่าอย่างอย่างการ ก้าวข้ามจากคุณสมบัติของโซดาบัลเป็นเป็นขั้สกิทาเนี่ยมันมันมันเหมือนการก้าวข้ามในแบบตำแหน่งบริหารหรือว่าในแบบสเต็ปของของการเลื่อนชั้นของการเลื่อนขั้นยังไงก็เนีย่ยมันพุณเจ้าไม่ได้ไม่ได้ตรัสตอบตรงนี้แบบชี้ชัดเลยจะเป็น <c oughs> จะเป็นขั้นตอนที่มีความชี้ชัดน้อยมาก จัดบอกแค่ว่ า, าราคาโทสะโมหะของสกาธาคามเียเบาบางลงแค่นั้นเองอ่ะยังอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเพราะละสัโยชน์สามข้อได้เท่ากันนะกัศฎาปันคือสักกายทิฏฐิวิจิกิิชาสีละปะตปลามาสซึ่งตัวนี้คนเข้าใจยากแล้วเข้าใจผิดเยอะมากนะ ซึ่งถ้าเขาไม่ศึกษาพุทธพจนะเนี่ยเขาไม่มีทางพูดสามตัวนี้ได้อย่างถูกต้องเลยเราฟังมาสาวกหลายคนมากพูดไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่เหมือนกันแล้วก็กลุ่มเกลื อ, อตัวสักยะาิจิตเข้าใจผิดกันเยอะด้วยเช่นว่าเขาอาจจะพูดว่าสักยะาติจิเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือการละกายได้<ม>เขาอาจะพูดอย่างนี้ ปล่อยวางกายได้ซึ่งคนละเรื่องเลย<ม>นะคนปล่อยวางกายได้สนิทเนี่ยคื อ, อนาคามีตัวสักยะทิฏฐิหมายถึงสักยะคือความเป็นตัวตนปล่อยวางความเป็นตัวตนในส่วนของความเห็นเห็นนะว่าผู้เจ้าตรัสตรงทิฏฐิคือความเห็น<ม>ที่เป็นสักยะโสดาบันวางได้เพรา ะ, ะนั้นคำผู้เจ้าอย่าเปลี่ยน และเราจะวิเคราะห์ได้ทุกคาของพระศาสดานะแค่ความเห็นในความเป็นสักยะของขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่เรื่องรูปอย่างเดียวขันธ์ทั้งห้าเลยแต่เปลี่ยนได้แค่ความเห็นนะนิดพูดผิดกันเกือบหมดเลยนะจะไปพูดว่าวางกายได้หรื อ, อยังปล่อยวางกายได้ยังคนละเรื่องนะ อ, อย่างนี้ปล่อยวางขันธ์ห้าได้หรื อ, อยัง ในส่วนความเห็น <c oughs> นะขยับขึ้นมาคือส ก, กาดธาคามีก็ได้เท่าเดิมสามข้อเหมือนเดิมแต่ราคาโทสามโมหาเบาบางลงนะเปรียบเทียบกับอินซีพาวนาชั้นเลิศที่พอจะวัดได้ก็คือความเร็วในการปล่อยวางเนี่ยสูงขึ้นเร็วขึ้น ส่วนนาคามีปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มได้อีกสองคือกรรมราคะกับปฏิกะในส่วนของรูปธาตุนี่ยแหละถึงจะดับรูปได้สนิทจริงปล่อยวางในส่วนของรูปทุกอายุนะของกายผัสสะกระทบแล้วนะวางอุเบกขาได้ทันทีเนี่นาคามีอืมค่ะก็เรียกว่าท่านชมเลยได้ความรู้ไปหลายๆลําลดับขั้นของการที่จะไต่เต้าไปสู่การหลุดพ้น เป็นพระอาหารหันต์นะคะว่ามีคุณสมบัติเป็นอย่างไรแต่ว่า เ, าเรามีโอกาสที่จะมาฟังกันในรายละเอียดชนิดที่ละเอียดมากๆของแต่ละขั้นตอนวันนี้ก็ละเอียดมากในเรื่องของโสดาบัน <c oughs> <c oughs> ก่อนนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยขึ้นต้นกันมาด้วยเรื่องของอริยมรตมีองค์8 <c oughs> ทีนี้ไหนๆพูดถึงอริยมรตมีองค์8ดเมื่อกี้น้องน้าวุ้นเนี่ยได้ท่องให้เข้าใจว่ามีกี่เรื่องแล้ว <c oughs> ดีฉันอยากจะให้น้องนุง้นเนี่ยพอจําได้ไหมคะรายละเอียดของอริยมัติมีองค์แต่ทั้งหมดนะี่ยถ้าจําได้ก็จะได้ให้น้องอุ้นท่องสักนิดหนึ่งก่อนอ่าขึ้นต้นให้ดูดูตํารานิดหนึ่งก่อนจำได้ไหมคะถ้าจําได้หนุมก็อ่านไปสักข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณป้าอ่านต่อให้เอา ไ, ไหมคะไหวไหมตอบสิไหวไหมถอนหายใจ ไหวไหมคะถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรเขาท่องได้นะคะแต่นี่เขาอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับการที่ให้เด็กตัวเล็กๆนี่โอ้โหปรับตัวถ้บจะไม่ทัน <c oughs> จะท่องไหมคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> หรือขอภาพก่อนไม่เป็นไร <c oughs> ถ้างั้นก็ไม่เป็นไร นะคะมาฟังพวกที่ผ่านวัยเจ็ดขวบมาหลายปีแล้วแต่ไม่กล้านับผู้ผ่านเมื่อกี่ปีให้ฟังก่อนละกันขออนุ ญ, ญาตท่านนะคะท่านผู้ชมที่เคารพคะเรื่องของอริมัรมีองค์8ที่เราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของบรมสัจจะความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทค์ของเราได้ทรงทุ่มเทเวลา <c oughs> และพระวรกายในการที่จะค้นพบด้วยการตรัสรู้เนี่ย น, นะคะว่าในส่วนของ พนทางที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ซึ่งท่านเห็นว่ามนุษย์เราไม่ควรที่จะอยู่กับความทุกข์เพราะมันมีทางที่ท่านทรงค้นพบอริยมัตรมีองค์แปดดิฉันจะอ่านจากหนังสือเรื่องปฐมธรรมนะคะอยู่ในหน้า295พระพุทโ์ตรัสไว้ดังนี้ค่ะว่าภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่า คือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสรฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดําริดชอบสัมมาสังกัปปะวาจาชอบสัมมาวาจาการงานชอบสัมมากรรมันตะอาชีวะชอบสัมมาอาชีวะความเพียรชอบสัมมาวายามะความระลึกชอบสัมมาสติ ความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกอันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายความดาริชอบเป็นอย่างไร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 ภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าอาชีวะชอบภิกษุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย ภุกสุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาป ท, ที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความภัยบูรความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าความเพียรชอบภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติ พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปักติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม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 มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าความระลึกชอบภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากการมทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ เาะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามากายย่อมเข้าถึงฌานที่สอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่ เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สอันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจ คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกก็อาจจะยาวแต่ว่าเป็นจะว่ายาวก็ไม่ยาวเพราะรวมทั้งหมดถึงทางที่จะพ้นทุกาาใชนะ่สั้นกว่าไปเชียงใหม่เยอะเลยนะก็คงจะ กลับเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องยากเกินไปไหมคะสําหรับคนทุกคนที่จะเดินตามทางนี้คะ่ะอืมยากก็ต้องเดิน น, ยยนะโยนะเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นในเมื่อมันมีหนทางเดียวยากแค่ไหนก็ต้องเพียรนะท่านยืนยันว่าหนทางเดียวห น, นทางนี้คือหนทางเดียวไม่มีทางอื่นค่ะนะวันนี้เราก็ได้พบถ้าทางเดียวสามารถรียเป็นทางอีกได้ไหคะสาอีกสายนึ่ นะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่รายการตั้งปรารถนาและต้องบอกว่าตั้งปณิธานเอาไว้นะคะที่จะได้นําเอาคําสอนของพระพุทธองค์ซึ่งทรงชี้ทางให้กับทุกคนไม่เลือกอใช่ไหมคะอมขอเพียงแต่ท่านเข้ามาแล้วก็น้อมนําออกไปปฏิบัติตามวันนี้เราก็ได้สมาชิกรุ่นยาวของพุทธวัรสถาบันคือน้องน้ำบุ้นเป็นคนเริ่มต้นให้นะคะในเรื่องของ อริยมรตมีองค์แปดท่านทั้งหลายสามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะเด็กตัวน้อยๆ อ, อย่างนี้ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้เริ่มต้นแล้วเลยก็อย่าเสียโอกาสนี้มานมรสการขอบพระคุณพระอาจารย์คริสติสโธทิพย์โร ด, ด้วยกันค่ะ คุาผชมคะสำหรับในวันนี้หนังสือที่ดิฉันได้อ่านให้ท่านชมได้ฟังกันไปซึ่งเป็นผู้ทวัจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทของอริยมรรคมีองค์8นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่รวบรวมเอาไว้อยู่ในหนังสือเล่ม น, นี้คือหนังสือปฐมธรรมนะคะเป็นหนังสือที่ท่าอาจารย์ได้ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์ได้นำเอาไปอ่านให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังกันวันละบทสองบท เป็นเครื่องยืนยันว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้ตั้งแต่เด็กเล็กเป็นต้นมาเลยนะคะเกิดการเรียกร้องจากครูอาจารย์นะคะที่ให้ท่านอาจารย์ทำแล้วก็ได้รวบรวมกันดิฉันคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่ได้เป็นหนังสือคู่มือประจําบ้านของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธจะได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมที่ถูกต้องตรงคํำภาษาสระที่เรียกว่าพุทธวัตรธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ ดิฉันไม่ได้โฆษณาขายหนังสือนะคะเพียงแต่บอกให้รู้ว่าเป็นหนังสือที่มีค่าแล้วก็เป็นหนังสือที่มีอยู่เพราะก็ไม่มีขายเหมือนกันที่วัดนาปะพงลำลูกาคลองศิเนี่ยคะ่ะก็จะมีผู้ที่ศรัท ธ, ธานะคะมาช่วยกันสร้างผ่านทางมูลนิธิพุทธโคดให้ทางท่าอาจารย์คริสโสติพโลนั้นได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจตามจํานวนที่ได้มีอยู่นะคะ และสำหรับในวันนี้ท่านได้ใช้เวลากับเรามาพอสมควรแล้วรายการพุทธวจนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมกันได้เป็นประจำทุกวันวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงที่สถานีแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านได้นำเอาพุทธวจนะไปใช้เพื่อชีวิตที่สวัสดีของทุกคนพุทธวสวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจะนะเนี่ย เป็นผู้มีความเจริญเก้าหน้าในชีวิตนะคิดบางสิ่งใดขอให้สําเร็จสมความปรารถน า, เ, าเหตุแห่งการสร้างสินที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายนะและทําความลีบเล้นหรือสุญญาคารวัให้งอกง า, ามหมายถึงผู้มีกําลังคนะือมีกําลังสติ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 เพื่อปราลบความเพียรต่อไปจนเข้าถึงมรรคนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นมสมุดรณ์มรรคนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน